คลื่นในตำนานกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองนอบกอแห่งนี้มีเด็กนุมอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กนุมทั่วไปคล้ายกับเจ้าเขาชื่ออะไรลหรครับเขาชื่อแซงโก้เขาชอบเดินเล่นที่ชายหาดแห่งนี้และเล่นกีตา้าตลอดทั้งวันแซงโก้ยากจนมาก เขาแทบไม่มีสิ่งใดในโลกเว้นแต่ของที่ผู้คนมอบให้เขายามที่เขาเล่นกีตา้าเพื่อให้ผู้คนได้เต้นรำแซงโกเติบโตมาอย่างแข็งแรงและหล่อเหลาแต่เขาไม่กล้าเต้นรำกับเด็กสาวคนใดเพราะเขาไม่มีเงินขอแต่งงานหรือว่าพาพวกเธอไปทานมื้อคำ่ำแซงโกอยู่เพียงลำพังกับกีตา้าของเขาและทานขนมปังเพียงครึ่งก้อนเพื่อประทังชีวิตอ บางครั้งเขาก็เล่นกีตาร์คนเดียวในท้องทะเลแสงโก้รักทะเลในเย็นวันหนึ่งชาวประมงสองคนขอให้เขาไปดูอวนดักปลาที่อยู่บนฝั่งเพื่อที่ชาวประมงจะนำปลาไปขายในนอบกอดแสงโก้นั่งบนโขดหินเขาเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงข่าร้องเพลงแด่ทะเลแสนงาม มองดูคลื่นซัดเข้ามาโอ้ทะเลแสนงามข้ามีความสุขยิ่งนักเมื่อท่านอยู่กับข้าและในขณะที่เขาร้องเพลงก็เกิดน้ำวนขึ้นมีชายร่างยักษ์ผมสีฟ้าและมงกุฎสีทองปรากฏตัวเขารู้ว่านี่คือสาแห่งท้องทะเลคลื่นเล็กๆเลกคลื่อนที่ออกจากสา ในขณะที่เขาเก้าวขึ้นมาจากน้ำแสงโก้แห่งนอบกดหลายวันที่เจ้าเล่นเพลงบนชายทะเลนี้ลูกสาวของข้ารักบทเพลงของเจ้าข้าเองก็เช่นกันโยนอ้วนลงในแม่น้ำและดึงขึ้นแม่น้ำจะตอบแทนเจ้าที่เจ้าร้องเพลงถ้าเจ้าพอใจในสิ่งตอบแทน เจ้าต้องบาเล่นแพลงในวังเขียวใต้ท้องทะเลเมื่อท้ายท้องทะเลกลับลงไปในทะเลอีกครั้งเลื่อนก็ซัดขึ้นเสียงดังกึกก้องโอ้ลองดูก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายหรอกมั้งเขาโยนหัวลงในทะเลและดึงขึ้นจากน้ำสีเงินเชื่อดึงขึ้นอย่างง่ายได้ และมีหยดน้ำระยิบระยับภายใต้แสงจันทร์แต่ว่าไม่มีอะไรอยู่ในอวนเลยจนปลายสุดของอวนเขามองเห็นสิ่งของในนั้นเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอยู่ในความมืดเขาลากมันออกมาและพบว่ามันคือหีเขาเปิดออกข้างในหีบเต็มไปด้วยอัญมณีมีค่าสีเขียวแดงทอง ทรงประกายใต้แสงจันทร์เขาเก็บหีบไว้ในที่ปลอดภัยในคืนนั้นเขาเฝ้าบวนและเล่นบทเพลงอยู่ทั้งคืนในตอนเช้าช็อประมงกลับมาหาเขาแล้วมอบขนมปังให้หนึ่งก้อนเพื่อตอบแทนที่เฝ้าบวนนี่จะเป็นมื้อสุดท้ายสำหรับผู้ชายจนๆแสงโก้เดินเข้ามาในเมือง เขาขายอัญมณีเพียงเล็กน้อยและนำเงินที่ได้มาเปิดร้านในตลาดเพื่อขายสินต่างๆจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นพ่อค้าที่รวยที่สุดในนอปกอดแต่ตอนนี้เด็กสาวทุกคนในเมืองต่างสนใจในตัวเซงโก้ถึงแม้ว่าจะโชคดีแต่เซงโก้ก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเขารักในทะเลวอรอบของเขาเหมือนเดิม ทุกๆวันเขาจะไปเล่นกีต้าและร้องเพลงที่ชายทะเลไม่มีผู้หญิงใดในน็อกอรสวยเท่าทะเลอีกแล้วเขาหยิบสร้อยคอที่สวยงามออกจากกระเป๋าแล้วย้นมันลงในทะเลมันเป็นของขวัญเล็กน้อยสำหรับทะเลสุดที่รักของเขาวันหนึง่งขณะที่เขาล่องเรือในทะเลแคสเปียน ตอนนั้นก่นได้เกิดพายุ ข, ขึ้นลูกเรือต่างตกใจกลัวและพยายามก่อทุกสิ่งที่ก่อได้แสงโก้ยังส ง, งบอย่างใจเย็นข้ายังจำสัญญาเก่าได้และตอนนี้ถึงเวลาที่ข้าต้องทำมันด้วยกีตาในมือของเขาเขากระโดดลงไปในทะเลแคสเปียน แต่ตอนนั้นเองคลื่นลมก็สงบลงเรือแล่นอย่างราบรื่นมาจนถึงท่าเรือยังปลอดภัยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแซงโก้ล่ะครับอ๋อแซงโก้แซงโก้ตกลึกลงไปลึกลงไปในท้องทะเลจนในที่สุดเขาก็มาถึงก้นทะเลและที่ก้นทะเล มีวังที่สร้างด้วยไม้สีชมผูเซงโก้พานประตูวังเข้าไปข้างนนมีห้องโถงใหญ่และซาแหงท้องทะเลพักผ่อนอยู่ในนั้นมงกุฎสีทองบนหัวของเขาและผมสีฟ้าของเขาลอยไปมาใน น, น้ำอ้อเซงโก้เจ้านำสิ่งที่ทะเลมอบให้เจ้าไปแต่เจ้ากลับใช้เวลานาน ว่าจะมาร้องเพลงที่หวังใต้ทะเลได้ท่านาผู้ยิ่งใหญ่ให้อภัยข้า ด, ด้วยร้องเพลงเดี๋ยวนี้แซงโก้เล่นกีตาร์แล้วเริ่มร้องเพลงข้าร้องเพลงแด่ราชาผู้ยิ่งใหญ่ท่านซาแห่งท้องทะเลคลื่นเป็นของท่านสัปปสิ่งในน้ำล้วนเป็นของท่าน ทั้งเกลือและปลาข้าร้องเพลงแด่ท้องทะเลที่สวยงามข้ามองสายคลื่นที่ซัดมหาค่ายญ้าทะเลแสนงามข้าสุขใจจริงๆข้าจะเต้นรำเขาลุกขึ้นเหมือนต้นไม้ใหญ่ในห้องโถงแล้วเริ่มเต้นรำ้องทะเลทั้งหมดสั่นสะเทือนจากการเต้นของสาวผู้หญิงใหญ่เขาเต้นรำจนเหนื่อยล้าแล้วนัว่งลง เจ้าเล่นได้ดีมากมันทําให้ข้ามีความสุขมากข้ามีลูกสาวสามคนเจ้าต้องเลือกหนึ่งคนเพื่อแต่งงานและเป็นเจ้าชายแห่งท้องทะเลด้วยความเคารพอย่างสูงข้าคิดว่าคงไม่มีหญิงใดที่ทำให้ข้ารักได้มากกว่าทะเลสาปลบมือและลูกสาวทั้งสามของสาแห่งท้องทะเลก็เดินเข้ามาทั้งหมดงดงามอ่อนหวานและสง่างามแต่ว่า แสงโก้ทูกดึงดูดด้วยลูกสาวคนเล็กนางงดงามเหมือนท้องทะเลของข้าเธอมองมาที่เขาด้วยแววตาราวกับเงาสะท้อนของดวงดาวในท้องทะเลผมดำสนิทราวกับทะเลในยามค่ำคืนสาแห่งท้องทะเลนำมือของทั้งสองประกบกันและพวกเขาทั้งสองก็จูบกันและเมื่อพวกเขาจูบกันแสงโก้ก็เห็นไส้คอบนคอของเธอ และสร้อยนั้นเป็นสร้อยคอที่เขาโย้นมอบให้กับท้องทะเลแซงโก้หัวเราะอย่างดีใจและกอดลูกสาวคนเล็กของซาเธอกอดเขากลับไม่นานพวกเขาก็แต่งงานกันซาแห่งท้องทะเลหัวเราะในงานแต่งงานจนวังสันสะเทือนและปลาก็แหวกว่ายไปทั่วสารทิศหลังจากงานเลี้ยแซงโก้และเจ้าสาวของเขาก็ไปที่วังของเธอ ก่อนนอนเธอพูดขึ้นว่าโอ้แซงโก้ท่านจะไม่ลืมข้าใช่ไหมท่านจะร้องเพลงให้ข้าใช่หรือเปล่าข้าจะไม่มีวันละสายตาจากท่านที่รักของข้าและข้าจะเล่นเพลงให้ท่านได้ฟังทุกวันขอให้เป็นเช่นนั้นเธอพูดและหลับไปแซงโก้ก็หลับตามกลางดึกคืนนั้นแซงโก้หมุนตัว และเขาก็สัมผัสกับเท้าของเจ้าหญิงเฮยเย็นยเยือกเหมือนน้าแข็งในเดือนมกราคมและด้วยความเย็นทำให้เขาตื่นขึ้นเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่ใต้ท้องฟ้าในทะเลนอปก่ะคุณปู่ครับแล้วเรื่องราวเป็นยังไงต่อละครับมีเร да ื่องลือมากมายบ้างก็ว่าเขากลับมาเป็นพ่อค้าในเมือกแต่ปู่เชื่อว่าเขานากีตาร์ของเขาไหว้ลงไปที่กลางทะเลและดำลึกลงไป เพื่อไปหาเจ้าหญิงของเขาเล่ากันว่าเขาได้พบกับเธอและอาศัยอยู่ร่วมกันในวังสีชมพูของเจ้าหญิงยามใดที่เกิดคลื่นยักษ์ขึ้นบางทีก็อาจจะมาจากแสงโก้เล่นดีตา้าร้องเพลงและสาให้ท้องทะเลก็เต้นรำยังหน้าเกลงขามข้างล่างนั้นจนเกิดคลื่นแล้วหลานคิดว่าเป็นยังไงล่ะผมก็คิดเหมือนกันนะเขาน่กลับไปหาเจ้าหญิงใช่แล้ว แล้วทำไมคิดแบบนั้นเพราะว่าตอนจบต้องมีความสุขครับเหมือนที่ปูบ่บอกทุกเรื่องราวต้องมีตอนจบที่มีความสุขและจำเอาไว้ถ้ายังไม่มีความสุขมั น, มนยั ง, ยงไม่ไมใช่จุ ด, จ, ดจ บ, จบ